พอพระองค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตประมาณกี่ปี5 7าล้านปีตรงนี้เขาแปลเขาจะยากเขาบอกว่าตลอด57โกดปีกับ60สแสนปีนโบราณเขาเข้าใจสมัยเราก็คือบอกว่า576ล้านปีเนี่ยนะตอนนั้นพวกเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรกวาลก็มาประชุมกันก่อนที่พระองค์จะจุติจากดุสิตเทวดาก็มาประชุมกัน ยาจันติปัญชลีมมังความว่าเทวดาหมื่นโลกาธาตุเข้าไปหาเราอ้อนวอนเราว่าข้าแต่ท่านผู้เนรทุกขนะผู้ปราศจากทุกขผู้ไม่มีทุกข์ว่างั้นผู้ที่มีก็บอกว่าการที่จะชมบอกผู้นี้มีความสุขมากแล้วก็บอกว่าผู้ที่ไม่มีทุกข์อย่างก็บอกคนสุขภาพดีที่สุดอ่ะท่านผู้สุขภาพดีเขาบอกว่าถ้าท่านผู้ไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างเงี้ยนะแล้ว ก, กว็พูดในสิ่งที่มันตรงกันข้าม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 10ทัศนะเนี่ยทัศเนี่ยท่าสะตัวนั้นก็แปลว่า10บนั่นแหละบำเพ็ญบารมีสินะแบ่งบารมีแต่ละอย่างขยายเป็นอุปบารมาีบารมีอุปบารมีและประมาภบารมีการบําเพ็ญบารมีที่เรียกว่าพุทธกัลกะธรรมเหล่านั้นมิใช่ปรารถนาจะเป็นเทา้ากสกะไม่ได้ทําบุญปรารถนาให้เป็นพระอินทร์หรอกไม่ได้ทําบุญปรารถนามารสมบัติเป็นใหญ่นะี่นะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้น ปรนิมิตตาวะสวัสดีพระองค์ทําบุญบําเพ็ญบารมีเหล่านั้นก็ไม่ใช่ปราถนาพรหมสมบัติคือไม่ได้ปรารถนาเป็นพรหมปริสัชชาโปโรหิตามหาพรหมมาอภัสราสุภกินหาเวหัพลาหรืออกักกนิถาพรหมเป็นต้นพรหมเราได้เ่าหนึ่งพระองค์ก็ไม่ต้องการและพระองค์ก็ไม่ได้ปรารถนามนุษย์สมบัติเรียกว่าเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแต่พระองค์บําเพ็ญบารมีทั้งหมด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 ถึงตอนนั้นจริงอยู่ยังช่วยใครไม่ได้อนนยังช่วยไม่ได้จริงๆแต่ก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามขณะที่พระองค์ให้ทานรักษาศีลเจริญเนฆะคัมมะเจริญปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาบำเพ็ญบารมีสิบอุปบารมีสิบขณะที่กําลังสร้างบารมีอยู่ขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามในอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองแม้ทรงบำเพ็ญบารมีเสร็จแล้ว บำเพลบารมีเสร็จเนี่ยเสร็จจริงๆอะเสร็จนั้งเมื่อไหรเสร็จที่พระเวสสันดรเข้าสู่พระราชวังสเสด็จที่กลับมาอยู่ในวังนี่เขาชื่อว่าบำเพลนบารมีเสร็จแล้วพันขณะที่กลับไปประทับอยู่ในพระราชวังรอเป็นพระพุทธเจ้าขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้ามหรือแม้แต่พระองค์จุติจากอัตภาพเป็นพระเวสสันดรถือปฏิสนธิในภพดุสิต ดำรงอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตตลอด576ล้านปีเนี่ยนะตรงนี้ก็แปลว่า57โกดปีกับ60แสนปีก็คือ576ล้านปีก็เชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามทั้งๆ ท, ที่อยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขนะขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ขําขณะที่พระองค์ถูกเทวดาทั้งหลายที่มาจากไหนหมื่นจักรวาลเนี่ยนะ ทูลอ้อนวอนขณะนั้นพระองค์ก็ตรวจมหาวิโลกันะหประการพระองค์ถือทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางเจ้ามหามายาเทวีก็ดีพระองค์เนี่ยทรงอยู่ในพระคันจนครบท้วนทศมาศสิบเดือนก็ดีก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ได้ข้ามนะช่วยโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้ข้ามขณะที่อยู่ในพระคันเนี่ยนะจนถึงคลอดจากคัน แม้แต่พระองค์เนี่ยครองค า, ารวาตวิสัยอยู่29ปีขณะที่เป็นค า, ารวาตวิสัยนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้สัตว์ข้ามช่วยให้ข้ามในวันที่ประสูติพระราหุลพัทธะรพระราหุลผู้เจริญเนี่ยนะพระองค์วันนั้นอ่ะวันที่เห็นหน้าบุตรมีนายชันนะเป็นสหายขึ้นทรงม้ากันตก ะ, สะเสดจออกมหาพิเนสกรมเรียกว่ามหาเนคขมมะเนี่ยนะ พิเนสกลมตัวนั้นก็คือเนคขมมะออกเนคขมมะที่ใหญ่มากเป็นเนคขมมะเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เสด็จเลยสมราชอาณาจักรผนวดณริมฝั่งแม่น้ําอโนมาก็ดีขณะนั้นก็ชื่อว่าช่วยให้ข้ามช่วยให้ข้ามกําลังปฏิบัติในข้อปฏิบัติเพื่อช่วยสัตว์ให้ข้ามจากกองทุกข์พระองค์บําเพ็ญความเพียรหปีก็ดีเนี่ยนะ ในวันวิสาขะปุรมีวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขาสะเสด็จขึ้นสู่มหาโพธิมันทสถานโคนโพพฤกทรงกำจัดกองกำลังมาปรปฐม أ, ช่วงหัวค่ํากำจัดกองกำลังมารใช่ไหมพาหงษ์สหัสสมาพินิมิตนั่นแหละปฐมยามพระองค์ละลึกชาติในบุรพชาติก็คือในอดีตชาติมัชชิมยามทรงชัมระทีิพจักสุปัชิมยามพิจารณาปฏิจจสมุบาทมีองค์12บเนี่ยนะชรามรณะ ชาติพบอุปาทานตันหาไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ขณะที่พิจารณาปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมเพื่อแทงตลอดอริยสัจบรรลุโสดาปติมัคขณะขณะที่บรรลุโสดาปติมัค ก, ก็ชื่อว่าช่วยสัตว์ให้ข้ามกําลังช่วยอยู่แต่ว่ายังไม่เสร็จนะยังไม่ได้ช่วยให้ข้ามได้แต่กําลังช่วยอยู่กําลังหาวิธีการที่จะช่วยเขาอยู่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 แล้วมีผู้บรรลุจริงเนี่ยนะมีผู้บรรลุโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลจริงเมื่อ น, นั้นแหละจึงชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามแล้วแต่ถ้าก่อนนั้นยังไม่ได้ข้ามจริงถ้าเช่นโซดาปฏิมักเกิดขึ้นแล้วพระองค์ชื่อว่าช่วยเขาให้ข้ามจากอบายทุกติวินิบาตนรกแล้วถ้าหากว่าพระองค์ช่วยให้เขาบรรลุสกทาคามีมักว่ชื่อว่าช่วยให้เขาข้ามจากชาติที่สองในมนุษยโลกเป็นต้นไปแล้ว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 อย่างที่กล่าวว่าไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ยังจมอยู่แล้วจะช่วยฉุดผู้อื่นให้ขึ้ น, นนะผู้ที่จมอยู่ในวัตฏะอยู่เนี่ยนะแล้วจะช่วยฉุดให้ผู้อื่นออกจากวัฏตะไปได้อันนี้ไม่ใช่ฐานะในสเลขสูตรพร ะ, ระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นจริงๆผู้ใดยังติดข้องอยู่จะช่วยฉุดผู้อื่นให้หลุดพ้นก็ไม่ใช่ฐานะเพราะฉะนั้นได้เวลาที่พระองค์จะบรรลุ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 แม้ถูกเทวดาทั้งหลายทูลวอนขอก็ไม่ได้ประทานคําปฏิญญารับรองแกเทวดาทั้งหลายทันทีไม่ใช่ขอปุบ๊บบอกปุ๊บเลยไม่ใช่เขาต้องตรวจดูก่อนการาวตรวจเล็งดูในอนาคตก่อนการาวตรวจดูปัญจมหาวิโลกนะหรือมหาวิโลกนะ5ประการ5ประการมีอะไรบ้างคือ1กําหนดการเวลาอายุไข่สองกำหนดทวีป3ประเทศ4ตระกูลหพระชนมายุของพระชนนี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 ทุกก็มีอะไรก็ทุกก็คือชาติปีทุกขาชาราปีตุกขามรณะปีตุกขังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัน้นสุปายาสาปิทุกขาไอ้คําเหล่านี้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์บอกว่าคนอายุเกินแสนปีบอกพูดอะไรไเพื่อนเข้าใจเรียนรู้เรื่องเลยมันน้นแก่ก็เป็นทุกข์เอ๊ก็สุขภาพดีนี่อยู่มาตั้งหลายเป็นหมื่นหมืปีแล้วก็ไม่เห็นเจ็บป่วยอะไรตายก็เป็นทุกข์เออเมื่อไรไม่รู้จะเห็นคนตายสักทีหนึ่งมันทุกตรงไหนยังไงนะ นั่นก็บอกว่าคนแสนปีขึ้นไปนี่ฟังแล้วมันเข้าใจา ย, ยากแล้วคนกิเลสเบาบางมากกุศลกรรมบด ท, ทุกคนดีเยี่ยมหมดเมื่อทุกคนดำรงอยู่ในกุศลกรรมบดหมดเหตุให้เกิดโสกกะปริเทวะทุ ก, กโทมณตุปาญาตหายากมากมันจะไปบอกว่านี้อ น, นิจจังอย่างนี้ทุกขังอย่างนี้อนัตตาอย่างนี้อ น, นิจจังเพราะสิ้นไปอย่างนี้ทุกขังเพราะหน้ากลัวอย่างนั้นอนัตตาไม่มีไม่มีสาระเช่นนั้นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายก็ไม่เชื่อ เห็นรูน้เรื่องด้วยเห็นเข้าใจด้วยเลยว่าพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสเรื่องอะไรเอาอะไรมาพูดแบบนั้นนะแต่นั้นก็จะไม่มีการตรัสรู้หรือการตรัสรู้ก็ไม่มีเมื่อการตรัสรู้ไม่มีคำสอนหรือพระธรรมของพระองค์ก็ไม่เป็นนิยา น, นิกรธรรมไม่ใช่คำสอนที่จะนำสัตว์ออกจากวัตฏทุกเพราะฉะนั้นกาละนั้นจึงไม่สมควร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 ร้อิบกว่าปีนะร้อยร้อยี่สบห้าปีตายไปแล้วถ้าเอามันก็มีอยู่คนสองคนน่ยนะที่เกินร้อยปีบ้างแต่ที่เหลือเนี่ยนะเขาบอกเฉลี่ยแล้วประมาณเจ็สิบห้าปีเนะนะี่ยนะอาจจะจริงจริงก็ประมาณสิบห้าสิบหกปีช่วงกำลังขับมอเตอร์ไซค์เป็นอนะ่ะโดยมากช่วงนั้นแหละเยอะเพราะว่าวัยเหานั้นนะ่ะไม่ใช่น้อยเลยบอกว่าช่วงไหนที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะอายุต่ํากว่าร้อยปีกิเลสเนี่ยมันมีกําลังหนาแ น, น่น ต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยนะมีอากุศลกรรมบท10ข้อไหนบ้างที่ที่ไม่ทำไม่ได้ฆ่าสัตว์จะว่าค่าคนธรรมดาเลยพ่อแม่ก็ค่าได้อย่างที่เขาบอกบางประเทศเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกรักลูกมากบอกลูกลูกต้องเรียนโรงเรียนนี้นะลูกต้องกินแบบนี้หลับแบบนี้นอนแบบนี้ลูกต้องอคบคนแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นเขามีลูก2คนอ้ยสั่งสอ น, สอนลูกเป็นอย่างดีเลย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 เดี๋ยนะต้องให้เรียนอย่างนี้ถ้าจะหาแฟนต้องหาแบบนี้แบบนี้ก้าวไกลชีวิตกันเหลือเกินทนไม่ได้ก็เลยฆ่าทิ้งสเสลยทั้งขอ้อทั้งแม่ศาลก็เลยเออมันพ่อแม่มันก็ยุ่งกัลูกลือ ก, กวนไปพันสมควรแล้วก็เลยลูกก็เลยหลุดคดีเลยเนี่ยอันนี้ถามว่าวถามว่าวเรื่องจริงไหมจริงมันก็พระสมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นทำก็ร้อยปีเนี่ยเกี่ยวกับฆ่าเนี่ยผู้ที่มีพระคุณที่สุดก็ ฆ่าได้ถ้าพระพุทธเจ้าอยู่นะสงสัยวางแผนปลงประชนเชา้าสายบ่ายเย็นเลยขนาดพระเศียนอย่างเที่ยวตัดทั่วไปหมดเลยใช่ไหมตัดพระเศียนทั่วไปหมดเลยท่านเรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องการโคดการโกงหายห่วงนีนะโกงได้หมดขอให้มันเผลอเถอะเนี่ยนะเขอบอกที่ไหนโดยที่สุดนั่งฟังทำเนี่ยสบายพุทธการอย่างนี้เลยบางทีนั่งฟังนะเผลอไปไหนกระเป๋าสตางค์ใคร่ระจรทําลายปมเนี่ยอย่งขโมยปม สมัยนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันมันก็ให้รู้ว่าเอออาทินนาธานเนี่ยว่างเว้นไม่ได้การมีสุมิชาจารย์ก็วุ่นวายไปหมดมูสาวาทเนี่ยนะพูดชั่วโมงหนึ่งจริงสักกี่คำก็ไม่ทราบขี้เมาย่ำแปแอลกอฮอล์เนี่ยตลอดร่างกายเลยนะบางคนนี่แอลกอฮอล์อยู่ในตัวนี่24ชั่วโมงเนี่ยนะไม่มีลดเลยนันกรัวอกุศลกรรมบทอาภิชาก็แรงกล้าพยาบาทก็รุนแรงมิชฌาทิฐิก็กลุ่มรุม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 มันก็ไม่เข้าใจว่าปฏิกานเงื่อนไขว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดในยุคไหนและเกิดเป็นอย่างไรเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระพุทธคุณให้ดีให้เข้าใจก็พร้อมที่จะล่องลอยนับถือไปเรื่อยเปื่อยพันปุตตชนนี่โดยสารก็มีความหมายอัตตะอันหนึ่งแล้วว่าผู้ที่แงนหน้าดูหน้ า, าศาสดามใหม่ๆไปเรื่อยเนี่ยนะใครพอที่จะเหมือนกับว่าตัวเองจะนับถือได้เชื่อได้ก็แงนหน้าดูไปเขาจะว่ายังไงก็ว่าไป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 เกินร้อยปีขึ้นไปอันนี้ชื่อว่าเป็นกาละสมควรสมัยพุทธกาลเนี่ยอายุร้อยปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะพระอานนท์นี่ก็อายุ120หลายท่านอายุ140บางท่านอายุ160กเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอมีอยู่หาดูกันได้เนี่ยนะสมัยนั้นอายุเกินร้อยปีก็มีเยอะเนี่ยนะแะในยุคนั้นถือว่าเฉลี่ยแล้วรวมๆก็ประมาณร0 0ปีเนี่ยนะเฉลี่ยว่ารวมร้อปีพระองค์ก็เลยเห็นว่า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 เช่นนั้นพระนางเจ้ามหามายาเทวีนี้จักเป็นพระชนนีของเราคือคือเขามีสพระเจ้าสุธโททนะมีมเหสีองค์เอกๆ อ, อ, อ, อยู่สองคนด้วยกันคือพระนางมหามายากับพระนางโคตมีเนี่ยนะสองคนที่จริงก็พี่น้องอ่ะทั้งพี่ทั้งน้องพระเจ้าสุธโททนะเนี่ยก็แต่งงานทั้งคู่เลยคือเนื่องจากพวกปุโรหิตพวกโหรเขาพยากร์ว่าลูกของหญิงสองคนเนี่ยคลอดออกมาจะเป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิทั้งคู่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 พอนึกว่าพระนางเจ้าเนี่ยมีพระชนมายุเท่าไหร่ก็เห็นต่อไปอีกว่า10เดือนกับเจ็ดวันพระชนมีอายุอยู่เท่านั้นแหละก็เลยพอตรวจดูมหาวิโลกนะ5ประการก็ประธานปฏิญญาแก่เทวดาทั้งหลายหมายความว่าจะให้จะรับปากรับคำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องสำรวจตรวจตราดูซะ ก, ก่อนใช่ไหมเหมือนไปเซ็นสัญญาอะไรสักเครื่องหนึ่งไม่ใช่แม่อ่านแบบฟอร์มอะไรเลยเที่ยวเซ็นทั่วไปหมด